บทภาชนี836พิกษุนีเดินไปเพื่อที่จะดูต้องอบัตทุกกฎยืนอยู่ในที่ที่พอจะมองเห็นหรือได้ยินต้องอบัตปาจิตตีพ้นสายตาไปแล้วกลับแลดูหรือฟังอีกต้องอบัตปาจิตตีพิกษุนีเดินไปเพื่อจะดูมหรสพแต่ละอย่างต้องอบัตทุกกฎยืนดูอยู่ในที่ที่พอจะมองเห็นหรือได้ยินต้องอบัตปาจิตตี พ้ันสายตาไปแล้วกลับแรดูหรือฟังอีกต้องอบัตปาจิตี